ก็รู้สึกยินดีนะที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาพูดคุยแสดงแง่คิดเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ชีวิตเพื่อจะเป็นแนวคิดที่ทำให้เราได้นำเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตในการแก้ปัญหาในการทำจิตทำใจ ให้มีความสุขก็รู้สึกว่าที่ราชพัฒภูเก็ตนี่ไม่เคยได้ผ่านมาบริเวณนี้นะเนี่ยตัวเพิ่งมาเป็นครั้งแรกก็ดูทางเข้ามาในกระคึกคักดีแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาคุยเรื่องอะไรหรอกต้องมาดูหน้าคนฟังก่อน ว่าเราควรจะพูดเรื่องอะไรอ้อเห็นแล้วอายุจะน้อยๆวปรุ่นๆรุ่นก็อยากจะคุยด้วยนะเด็กๆนี่ไม่ค่อยได้คุยด้วยวันนี้ก็จะรอคุยแล้วก็เราเอาไปทำใจดูอยากจะถามสักคำถามหนึ่งในชีวิตเนี่ยเรากลัวอะไรมากที่สุด ไม่ต้องตอบข้างนอกก็ได้ตอบในใจก็ได้คือคนทุกคนเนี่ยจะมีความกลัวที่คล้ายๆกันอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวที่เจาะลึกเข้าไปในจิตใจเราเลยว่าในชีวิตเนี่ยเรากลัวอะไรมากที่สุดตอบแล้วนะไห <c oughs> นใครกลัวผีที่ไม่ยกมือนี่แสดงไม่กลัวนะ ไหนใครกลัวความยากจนไหนใครกลัวความลำบากถ้าถามต่อไปก็ต้องมีคนยกมือเอาคำถามสุดท้ายที่สรุปเลยอันนี้คิดว่าอาจจะมีคนยกมือมากกว่าสามข้อแรกไหนใครกลัวความทุกข์เห็นไหมถูกแล้ว ไอ้ที่กลัวผีกลัวความยากจนกลัวความลําบากหรือจะเป็นกลัวความแก่ความเจ็บความตายก็าตามสรุปลงอยู่ข้อเดียวคือกลัวความทุกข์คนที่กลัวความทุกข์นี่เพราเขาถึงสัจธรรมนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดเป็นพุทธภาสิทธ์ไว้ว่าความทุกข์เนี่ย เป็นภัยใหญ่ของคนคนทุกคนเนี่ยจะต้องกลัวความทุกข์นอกจากพระอริยเจ้าชอบดูความทุกข์ไม่หนีความทุกข์แต่ตามรู้ตามดูความทุกข์เพื่อจิตใจท่านเนี่ยพ้นทุกข์แต่ปุตุชนเนี่ยจะหนีความทุกข์ใช่ไหมบางทีเราหนีความทุกข์เนี่ยกับเราหนีความจริงของชีวิตเรานะ ชีวิตใครไม่มีความทุกข์บ้างมีไมมที่นี่ทุกคนต้องผ่านความทุกข์มาทางนั้นผู้ที่มีชีวิตอยู่แบบไม่มีที่พึ่งไม่มีที่เคารพบุบคคลนั้นจะอยู่เป็นทุกข์นั้นเราจะไปต้องมีที่พึ่งที่พึ่งเหนือเป็นการเอาไว้แก้ทุกข์ให้กับจิตใจเราแม้แต่สัตว์ทะเฉานนะสัตว์ทะเลฉานเนี่ยมันยังมีที่พึ่งเลย มันมีที่พึ่งตามลักษณะของสัตยานเขาอย่างค้างคาวเนี่ยมีที่พึ่งที่ไหนในถ้ำนั่นละคือที่พึ่งของค้างคาวปูอะปูอะปู อ, อ, อยู่ในรูแต่มนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐจะไปอยู่ในถ้ำในรูมันก็ไม่เหมาะเราต้องมีที่พึ่งที่ประเสริฐกว่านั้นที่พึ่งนัาประเสริฐก็คือธรรมะ หรือพระศ า, าสนาศาสนามีไว้เพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึกคนไหนอยู่แบบไม่มีศาสนาไม่มีธรรมะจะอยู่แบบอนาถาวาเหวไม่มีที่พึ่งทุตกคนต้องการที่พึ่งโดยเฉพาะทางด้านจิตใจที่พึ่งทาง้นร่างกายเนี่ยมีสีอย่างคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแค่เนี้ย ก็มีชีวิตอยู่ได้แล้วแต่อาจจะอยู่แบบไม่เป็นสุขก็ได้นั่นคือที่พึ่งทางด้านร่างกายเป็นที่พึ่งภายนอกแต่เราต้องมีที่พึ่งทางด้านจิตใจด้วยเพราะชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะร่างกายนะเรามีจิตใจด้วยใจแม้ว่าจะอยู่ในบ้านหลังใหญ่โตใจเราก็อาจจะไม่มีความสุขก็ได้ หรือกินอาหารที่อร่อยนอนที่นอนนุ่มๆ ม, มีเครื่องนุ่งห่มที่สวยราคาแพงมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์มียารักษาโรกยี่ห้อดีๆสะดวกใช้นั่นคือช่วยแด้ร่างกายแต่จิตใจอาจจะมีทุกข์ก็ได้นั้นใจจึงต้องอาศัยธรรมะหรือพระศาสนาเนี่ยเป็นที่พึง่งทุกศาสนาศาสนามีไว้ให้เป็นที่พึง่งพิง ไม่ใช่มีว่าให้ลบลาข้าวฟันกันเพราะฉะนั้นว่าเมื่อเรารู้ว่าที่พึ่งทางใจนั้นคือพระศาสนาแล้วอย่ากจะแถมเติมหน่อยหนึ่ว่ายามใดที่จิตใจเรามีความทุกข์อาจจะเป็นทุกข์บีบคั้นจากอารมณ์ความหงุดหงิดความไม่พอใจความลำคาญใจความกโกรธความไม่พอใจต่างๆหรือ ถูกความทุกข์บีบคั้นทางด้านร่างกายอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยมีทุกขเวทนารุนแรงแม้กระทั่งความตายซึ่งทุกคนหนีไม่พ้นถ้ามันบีบคั้นร่างกายแล้วก็บีบคั้นจิตใจด้วยความทุกข์ด้วยปัญหาเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือความอดทนความอดทนในยานที่ ถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์ถ้าใครทนได้บุคคลนั้นจะมีความลำบากในชีวิตเนี่ยน้อยมากเนี่ยสำคัญนะความอดทนเนี่ไม่ต้องหาจากที่ไหนมีอยู่แล้วในเนื้อในตัวเราที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาไม่ต้องใช้ความพิดอะไรมากเชพาะกาอดทนทนไปก่อนอดทนไปก่อนถ้าใครทนได้ ก็จะมีความลาบากในชีวิตเนี่ยน้อยลงกับคนอื่นคนที่ทนไม่ได้เนี่ยลาบากหน่อยก็อดครวนอันนั้นน่ะจะมีความลาบากมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครสามารถทนได้แล้วก็มันจะมีกำลังจิตกำลังใจเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลาบากใจได้อย่างดีที่สุดเลยจะมีภูมิต้านทานทางด้านจิตใจสูงผมเองนี่เมื่อตอนอายุ น, น้อย เนีย่ยขนาดเนี้ยอาจจะไม่หล่อแบบนี้ก็ได้มีความใฝ่ฝันททยานสูงมากมีความหวังมีความใฝ่ฝันชีวิตเต็ไมไปด้วยความฝันคือนั่งนึกคิดสิ่งที่เราต้องการอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นคิดสารพัดอย่างเรื่องบางเรื่องคิดแล้วพอกลับมาะระลึกถึงตอนนี้เนี่ยนึกอยากหัวเราะย่อตัวเองอะโธ อยากอย่างนั้นคิดไปได้อย่างไร <trabajar> ก็คิดไปขอล่าประสบการณ์ชีวิตนิดหนึ่งพวกเองนี่มีชีวิตที่ลาบากมากในครอบครัวเนี่ยมีแต่ความลำบากเสียมากกว่าความสุขแต่เป็นความลำบากที่อบอุ่นอันนี้ไม่ได้โทษโทษชคชะตาชีวิตนะเอามาเล่าสู่กันฟังเป็นความลำบากที่อบอุ่น เพราะว่าคุณพ่อก็ลาบากคุณแม่ก็ลาบากพี่น้องทุกคนเนี่ยลําบากเสมอหมดเสมอเท่าเทีเทยมกันแต่เราเข้าใจกันทุกคนเข้าใจกันถ้าเราเข้าใจกันแล้วก็มันมีความอบอุ่นพี่น้องทุกคนเนี่ยมีความอบอุ่นในการเข้าใจถึงเรื่องความลําบากโดยเฉพาะตัวอย่างที่ดีนะคนใกล้ตัวเราก็คือคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมาก ในการอยู่กับชีวิตที่ลำบากที่อบอุ่นนะคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีใจเย็นเป็นคนที่ขยันลำบากไม่กลัวแต่ท่านขยันยกตัวอย่างนะท่านอายุไม่ถึง30สมัยก่อนท่านสามารถแบกเข้าสารหน0กิโลท่านทำได้ยังไงท่านแบกเข้าสารหน0กิโลนะ ผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยคือความขยันที่น่าสงสารอะ่ะเป็นความขยันของคุณแม่ที่ดูแล้วน่าสงสารท่านแบกข้าวสารระยามัที่ผมพิการเนี่ยคุณแม่นี่อุ้มผมเป็นผู้ที่ยกผมขึ้นรถแล้วก็ลงนอนบนเตียงตอนอายุท่านห้าสิบกว่าแต่ท่านยกผมเนี่ยท่านมีความขยันไม่ท้อแท้ และจิตใจดีน้ำใจดีมากให้กําลังใจดีคุณพ่อเนี่เป็นบุคคลที่มีตัวอย่างในด้านของความเข้มแข็งความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเอาอุปสรรคมาท้าทายความสามารถคุณพ่อชอบท้าทายความสามารถของความลำบากให้เราเห็นถ้าไม่เคยบวนว่า ม, มันร้อนไปมันหนาวไป มันหิวไปท่านไม่เคยพูดไม่เคยปรีปากพูดไม่เคยปรีปากบนตัวอย่างความอดทนเนี่ยคือได้จากคุณพ่ออาจจะทนไม่เท่ากับท่านแต่เราก็ฝึกที่จะทนเหมือนท่านเหมือนกันแต่ตัวอย่างความขยันนั้นได้มาจากคุณแม่แต่อาจจะไม่ได้ครึ่งถึงคุณแม่แล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดที่ก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวไกล คือท่านมีชีวิตลําบากเป็นชีวิตชาวเรือนะเมืม่อกี้ดูภาไฟพายุแล้วเป็นชีวิตชาวเรือซึ่งลําบากมากคุณพ่อก็มีความคิดว่าเมื่อพ่อกับแม่ลําบากแล้วไม่อยากให้ลูกต้องมาลําบากเหมือนพ่อเหมือนแม่อยากใช้ลูกดีสบายคุณแม่บอกว่าพ่อกับแม่นอนเสือก็อยากให้ลูกเป็นได้ไปนอนเตียงอยู่เรือนอนเสือนะ เตียงตั้งไม่ได้หรอกเรือมันเล็กแคบๆแต่อยากให้ลูกนอนเตียงพ่อบอกว่าเมื่อพ่อเป็นขี้ข่าอยากให้ลูกเนี่ยเป็นข้าราชการให้เป็นขี้ข่าราชการซึ่งดีกว่าคุณพ่อจะไม่อยากให้เราต้องมาอยู่เรือต้องมาลําบากมันท่านให้เรียนหนังสือให้ผมได้เรียนหนังสือท่านยอมลาบากเพื่อเราได้เรียนหนังสืออันนี้เป็นตัวอย่างของความลําบากที่อบกุ่น ในความรู้สึกของผมตอนนั้นนะผมทุกครรู้สึกว่าผมไม่ชอบอาชีพคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบอาชีพชาวเรือไม่ชอบอาชีพของคุณพ่อคุณแม่ที่ทำอยู่ไม่ชอบความยากจนไม่ชอบความลำบากไม่ชอบความทุกข์ไม่เคยชอบท้กอย่างอยู่ที่นั่นแต่ชอบเรื่องความอบอุ่นเรื่องเดียวผู้เราทุกคนเนี่ยอาจจะผ่านโลกมันน้อยกว่าผม อาจจะไม่มีใครเจอความลำบากเช่นผมก็ได้มีไหมเมื่อดูหนังแล้วหรือคิดถึงอดีตแล้วมีใครลำบากกว่าผมบ้างหายากมากแต่ผมไม่ได้พูดให้หมอโลดในแง่ร้ายนะไม่ได้พูดหมอโลดในแง่ร้ายไม่ได้ทำให้เราต้องทอแท้หรือท้อถอยกับความยากความลำบากแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เราจะต้องเผชิญ สิ่งที่ผมูทั้งหมดเนี่ยทุกคนจะต้องเจอจะต้อ ง, องเผชิญหน้าอันนี้เป็นเบื้องหลังของชีวิตเราสังเกต ด, ดูนะเรากลัวอะไรก็ตามเราไม่ชอบอะไรก็ตามสิ่งนั้นมักจะเกิดกับเราเหมือนมีใครมาแกล้งเราเรากลัวความยากจนเราก็จนตลอดไปลนะ่ะเรากลัวผีมักจะโดนผีหลอกบ่อยๆ คนที่ถูกผีหลอกบ่อยๆคนที่กลัวผีนะคนที่ไม่กลัวผีแล้วลองผีมันไม่หลอกเพราะความกลัวอยู่ที่จิตใจเห็นอะไรก็ว่าเป็นผีไปหมดมีเงินมากร้อยล้านพาันล้านไฟความกลัวจนมันก็จนอยู่ล่างไปใช่ไหมเพราะความกลัวอยู่ในจิตใจใครกลัวความเจ็บมักจะเจ็บอยู่เรื่อย ถูกฉีดยาหน่อยยังไม่ทันถูกฉีดเลยเจ็บแล้วเจ็บไปห้าสบซแล้วยังไม่ได้นฉีดนะเพราะถูกฉีดเข้าเนี่ยที่เจ็บร้อยี่สิบเอร์นเพราะความกลัวเจ็บมันสิงอยู่ในใจเรียบร้อยแล้วโดนแล้วก็ต้องเจ็บใครกลัวความทุกข์ก็ต้องเจอความทุกข์เรื่อยๆเห็นไหมเหมือนมีใครมาแกล้งเราเพราะสิ่งที่เรากลัวเนี่ยอยู่ในใจเราเท้านั้นถ้าเรารู้ไม่ทันนะสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นในชีวิตเราตลอดเวลา ผมเองนี่เมื่อตอนก่อนที่จะมีร่างกายพิการเนี่ยนะทุกครั้งที่เจอคนนั่งรถเข็นวีลแชร์แบบเนี้ยเจอคนนั่งรถเข็นแบบเนี้ยจะอยู่ในสภาพใดก็ตามร่างกายปกติหรือร่างกายพิการแต่ถ้านั่งรถวีลแชร์เนี่ยผมมีความรู้สึกที่ไม่ดีเลยมันเปความรู้สึกที่ไม่ดีสําหรับเราเราไม่อยากเห็นเราไม่อยากดู รู้สึกไม่ดีมันเหมือนเป็นอะไรมันเป็นลางบอกเหตุเป็นนิมิตของเทวทูตว่าเราจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้และมันก็เกิดกับเราจริงๆเห็นไหมเพราะเราไม่ชอบชีวิตแบบเนี้มันเลยต้องเกิดกับเราแบบหลีกเลี่ยงไม่พ้นเหมือน ม, นมีใครมาแกล้งเราเคยไหมแล้วเกิดความกลัวเรามักจะเกิดอาการต่างๆที่เรากลัวเก็บเอาไปฝันก็มี อุบัติเหตุกระโดดน้ำลงไปในน้ำศีรษะเนี่ยมันแทกพื้นก้นษะเลยทำให้กระดูกต้นคอข้อที่หเนี่ยหักเลยคอหักเลยก็มีผลทำให้ร่างกายส่วนล่างเนี่ยต้องพิการไปตลอดชีวิตคุณหมอไม่มีทานยรักษา ห, หายเป็นปกติได้ซึ่งเราไม่อยากเจอนะแต่มันเกิดขึ้นกับเราจนได้มันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต จากคนที่มีร่างกายปกติแข็งแรงอายุ24กำลังโดดเด่นในการทำงานยังมีความหวังมากมายและความหวังบางอย่างเกือบจะสำเร็จแล้วด้วยแต่ต้องมาพลาดหวังความหวังหมดสิ้นไปเลยล่มละลายไปเลยแล้วก็ร่างกายต้องพิการตลอดชีวิตมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตยากที่จะตําใจให้ยอมรับได้มันเกิดขึ้นกับเราแล้ว หนูๆเนี่ยอายุอาจจะไม่ถึงยี่สิบมั้งตอนที่ผมพิการใหม่ๆเนี่ยพวกนี้อาจจะยังไม่เกิดสามสิบปีการใช้ชีวิตเนี่ยต้องมีคนช่วยเหลือแม้ตั้งการขับถ่ายจะนั่งรถเนียนั่งได้ไม่นานยืนไม่ได้เดินไม่ได้ชีวิตส่วนมากจะนอนอยู่บนเตียงนอนอยู่บนเตียง มันนั่งได้ไม่นานไม่ใช่นอนหลับแต่ถูกบังคับว่าจะต้องอยู่บนเตียงเท่านั้นจึงจะหายใจสะดวกจึงจะสะดรกในการใช้ชีวิตวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนอาอยู่บนเตียงสักเกือบ20ชั่วโมงอีก4ชั่วโมงคือทานข้าวหรือมันนั่งอย่างนี้มั้มันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทําใจยอมรับยากนี่คือความลําบากขั้นต่อมาพอเราเริ่มต้นกลัวความลําบากแล้วมันก็ลําบากมาเรื่อยๆ แต่ก็ไม่เป็นไรนะผมมีวิธีการที่จะจัดการกับความลำบากโดยใสมรดกจากคุณพ่อคุณแม่ที่ให้มาคือความอดทนอดทนกับร่างกายที่มันลำบากอดกลั้นต่อจิตใจที่มันไม่ได้อย่างใจนึกอยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้นึกอยากจะกินอะไรอร่อยก็กินไม่ได้ ต้องให้เขาหามาให้เราก็ไม่ยอมทำอย่างนั้นหาเองไม่ได้ก็ทนเอาไม่ต้องกินไปไม่ได้ก็ทนเอาไม่ต้องไปแล้ว <c oughs> มันก็สบายดีนะต้องยอมทุกยอมทนอยู่หลายปีอย่างน้อยได้ประมาณหนึ่งปีเริ่มต้นใหม่ๆหนึ่งปีพศอ .2522 อตอนนั้นอายุ24ปีทนทุกข์มาหนึ่งปีเต็มๆ ทนอยู่ความทุกข์คิดหมกบุนบนเวียนอยู่ความทุกข์หนึ่งปีที่จริงเราต้องขอบคุณมันนะความทุกข์เนี่ยต้องขอบคุณความทุกข์ขอบคุณความลําบากถ้าเราไม่มีความทุกข์ไม่มีความลําบากเราจะไม่กลับมารู้จักตัวเราเองเลยความทุกข์ความลําบากเนี่ยมันช่วยผลักดันให้เรารู้จักรู้จักเปลี่ยนวิธีคิดรู้จักอดทนรู้จักเป็นคนที่เข้มแข็ง รูจ้จักขนขวายที่จะช่วยตัวเองเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือเราเราสงสารท่านถ้าต้องมาดูแลเราเลยคิดว่าเราจะช่วยท่านอย่างไรดีอ๋อไม่ยากเราช่วยตัวเองให้มากสิเราช่วยตัวเองให้มากถ้าเป็นการแบ่งเบาภาระท่านโดยเพราช่วยทางด้านจิตใจเราต้องไม่ทุก เราต้องมีความสุขเราต้องไม่ท้อแท้ต้องเข้มแข็งอดทนให้ท่านได้เห็นท่านจะได้มีกำลังใจจะช่วยเราต่อไปไงถ้าเราท้อแท้ท้อถอยหน้าหงอย ห, หน้าเศร้าท่านก็พลอยเป็นทุกข์ไปกับเราด้วยไมอย่อยู่อะไรไม่ได้คิดที่จะฆ่าตัวตายฆ่าไม่ได้ยังตายไม่ได้เพราะถ้าเราฆ่าตัวตายเราตายไปคุณพ่อคุณแม่จะเศร้ายังไงนีอีกเราทาบาปสองต่อ นอกจากไม่ทําประโยชน์ให้ท่านแล้วยังทําให้ท่านต้องเป็นทุกข์ไม่คิดเรายังมีคนที่คอลากเราอยู่อาศัยความอดทนแล้วก็ความทุกข์นี่มันช่วยมันช่วยทําให้เราเนี่รู้จักคิดก่อนนั้นเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยคิดวนเวียนแต่เรื่องมันเวรกรรมอะไรของเรานะ้อเราไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยรู้นี่เราไม่ทําอย่างนี้ก็ดีย้อนแต่อดีตแล้วก็กังวลถึงอนาคตว่า เราจะอยู่อย่างไรเนี่ยจิ๊บิเราอยู่อย่างไรคิดล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเอาอาดีตเอาอนาคตทับถมปัจจุบันซึ่งมีทุกข์มากอยู่แล้วให้มันหนักยิ่งขึ้นจำไว้นะอย่าไปคิดอะไรถึงอดีตผ่านๆไปแล้วอย่าไปกัวงวลถึงอนาคตมันยังมาไม่ถึงให้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละทุกข์มันจะน้อยลงนะความสุข ไม่ได้มีอยู่ที่ในอนาคตเดี๋ยววิ่งหาความสุขนอนาคตหาชาติหน้าก็ไม่เจอความสุขต้นเริ่มปัจจุบันถ้าปัจจุบันมีความสุขพรุ่งนี้มันก็สุขด้วยเมื่อเราก้าวแรกก้าวแรกออกไปก้าวหนึง่งอย่างมั่นคงก้าวที่สองก็ต้องมั่นคงนั้นเริ่มต้นจากวันนี้นะถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดว่าเราจะมัวคิดดี่ยีทำไม สู้เราแก้ปัญหาชีวิตดีกว่าคิดแก้ปัญหาปัญหามันมีทางแก้คิดแก้ปัญหาหมั้ยความทุกข์ทำให้เราจะเปลี่ยนวิธีคิดนะถ้าเปลี่ยนวิธีคิดได้เมื่อไรแล้วก็ชีวิตจะเปลี่ยนไปเราจะมีโอกาสวันนี้ทุกแค่นี้นะพรุ่งนี้เราอาจจะมีวิธีคิดที่มันออกจากความทุกข์ก็ได้อาจจะหาทางแก้ไขได้สภาพร่างกายที่พิการอย่างนี้ เราอาจจะแสวงหาความสุขในท่ามกลางร่างกายที่พิการก็ได้มันต้องคิดให้ได้ความหวังกับตัวเองมองในแง่ที่มันมีหวังไว้ก่อนถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ชีวิตก็จะใหม่คิดบวกชีวิตก็บวกคิดลบชีวิตก็ลบหลไหๆมาต้องคิดอยู่แล้วคิดไปในแง่ที่มีความหวังซะยังเป็นประโยชน์กว่า ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนชื่อถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนชื่อถ้าเราชื่อฉลาดเกี่ยว่าเนี่ยเราชื่อฉลาดนะนายฉลาดแต่ยังทําตัวโง้ๆอยู่ <c oughs> ไม่สนใจไม่แสวงหาความรู้มันก็ฉลาดไปไม่ได้หรอก <c oughs> อยากจะรวยเปลี่ยนชื่อว่ารวยแต่ยังขี้เกียจเหมือนเดิมมันก็ไม่รวยมันต้องคิดเดี๋ยวดีคิดใหม่แล้วก็ทําตามอย่างที่เราคิดดู ชีวิตก็จะใหม่ไม่ใช่เปวเปลี่ยนชื่อก็ได้บางคนเปลี่ยนชื่อไปแล้วมันไม่ดีชื่อนี้ไม่ดีเปลี่ยนใหม่อีกหลายครั้งเป็นร้อยชื่อแล้วมันจะเปลี่ยนเรื่อยตลอดชีวิตก็เลยเห็นว่าอ๋อเนี่เรามีวิธีการแก้ปัญหาเนาะถ้าเรามีความทุกข์ทางด้านจิตใจเรามีธรรมะช่วยด้านจิตใจถ้ามีความทุกข์ทางกายให้คุณหมอช่วย หมอกับยาช่วยร่างกายจิตใจธรรมะช่วยได้ทาในศาสนาไหนก็ได้ที่เรานับถืออยู่ช่วยแา่หน้าจิตใจได้ทนั้นคือนอยู่ว่าช่วยได้ระดับไหนชั่วคราวหรือสิ้นเชิงอาศัยหลักธรรมอย่างผมนี่คุณหมอช่วยไม่ได้แล้วร่างกายอย่าไปหวังหมอเทวดาก็ช่วยไม่ได้ ทลองมาหลายอย่างนะหมอเสกหมอเป่ารถน้ำมนตพ่นน้ำหมากผีเจ้าเข้าทรงเราก็ยังไม่หายยังเดินไม่ได้เหมือนเดิมใจ ย, ยงทุกเหมือนเดิมก็เลยหันมาสนใจกับธรรมะนี่แหละธรรมะในหลักธรรมคำสอนเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมธรรมะเนี่เพียงแค่อ่านแค่ฟังยังแก้ปัญหาดับทุกข์ในใจไม่ได้นะ มันดับได้ชั่วคราวเมื่อเราอ่านเมื่อเราฟังเราต้องเอาสิ่งที่เรารู้เนี่ยที่ฟังมาเนี่ยเอามาปฏิบัติกับเนื้อกับตัวเราจึงจะแก้ปัญหาได้ผมก็ศัยธรรมะในข้อหนึ่งเรียกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันการเจริญสติในชีวิตประจำวันคือการฝึกทำความรู้สึกตัวอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรา นอนอยู่บนเตียงเฉยๆแทนที่จะนอนคิดฟุ้งซ่านไม่มีสาระเรากลับมาเจริญสติซึ่งเป็นกุศลเป็นบุญในทางพุทธศาสนาฝึกให้มีสติรู้สึกตัวเสมอๆรู้ที่กายที่มันเคลื่อนไหวรู้ที่จิตที่ใจที่มันคิดมันนึกปรุงแต่งให้ตามดูตามรู้ตัวเราเนี่เพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย เรามัจะปล่อยจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปไม่มีสาระลอยไปไหนก็ไม่รู้แต่เราฝึกสติแล้วเนี่ยจิตใจมันไม่ไปไหนมันกลับมาดูเนื้อดูตัวเรามันเป็นโอกาสดีเราอยากจะบวชอยากจะปฏิบททัติธรรมแต่ไม่มีโอกาสไม่เป็นไรเราบวชจิตบวชใจก็ได้โดยการเอาธรรมะมาปฏิบัติที่เนื้อที่ตัวเราให้ตามดูตามรู้เรื่องของกายเนี่ยนอนก็รู้สึกตัว จะพลิกซ้ายพลิกขวาก็มีสติเข้าไปรู้จะเดินน้ําก็มีสติรู้จะพับเป้าหม่มจะแปลงฟันล่างหน้าขับทายให้มีสติมารู้ตัวเราเนี่ยใจมัก็อยู่กับเนื้อกับตัวเราใจก็ไม่เลื่อนลอยเมื่อจิตอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันก็มีปัจจุบันชีวิตมันมีงานทําแต่ก่อนไม่มีงานทําจิตไม่มีงานทําก็ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตามเรื่อง แต่พอมีงานทํานี่งานทางจิตแล้วก็จิตผูกไว้กับงานกับการใช้ชีวิตจิตมันก็ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนมันก็มีความสุขกับปัจจุบันได้สุขในท่ามกลางร่างกายที่พิการอยู่บนเตียงก็ทําได้ mm hmm. เพียงมีสติตามรู้เนื้อรู้ตัวเราเนี่ยใจมันก็มีความสุขขึ้นมาได้เหมือนกันสุขในปัจจุบันด้วยคนเราเนี่ยมันมีปัญหามีความทุกข์เพราะความคิดมากมาย แต่พอเราปล่อยวางความคิดซะกลับมาดูเนื้อดูตัวเราเนี่ยนอกจากจิตมันจะสงบแล้วมันก็มีสติตื่นรู้แถมยังมารู้ความจริงของตัวเราด้วยไอ้ความพิการนี่มันอยู่ที่ร่างกายความทุกข์ต่างๆนี่อยู่ที่ร่างกายความเจ็บไข้เดรป่วยความตายมันเกิดที่ร่างกายทั้งนั้นเลย ใจเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ที่รู้ไวเ้เฉยๆเป็นผู้ดูไม่ได้เข้าไปเป็นกับความป่วยไข่ของร่างกายหมเมื่อสติมันเจริญแล้วเนี่ยจิตมันกลายเป็นผู้ดูนะไม่ได้เข้าไปเป็นนะเป็นผู้ดูตัวเราไม่ได้เข้าไปเป็นตัวเราเป็นเพียงแค่ผู้ดูมันแยกแยกความทุกข์ของกายไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็จิตทาหน้าที่รู้ไว้ส่วนหนึ่งจิตใจทาหน้าที่รู้ กายทหน้าที่ป่วยไขย้หรือพิการไปใจก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันมันเริ่มเข้าใจเรื่องของกายยิ่งเราปฏิบัติเป็นนานหลายวันเข้าเนี่ยมันไปเห็นในความคิดนึกปรุงแต่งที่มันหลอกลวงใจเรารักคนนู้นเกลียดคนนี้วิตกกังวลอิจฉาฉยยาหึงหวงหวาดระแวง เบื่อกลุ่มเซ็งเหงามันมาจากความคิดที่จิตใจทางนั้นเลยเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้ตัวเราเข้าไปอยู่ในความคิดเลยเห็นว่าเป็นเราเราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้ทุกข์แต่เมื่อมีสติแล้วเนี่ยมันเห็นความคิดจิตก็แยกออกไปเป็นผู้ดูความคิดะเป็นผู้ดูความคิดไม่ได้เข้าไปเป็นผู้คิดแล้วก็ใช้ความคิดให้ถูกต้อง ถ้าไม่จะเป็นก็ปล่อยให้มันผ่านไปรู้จักจิตใจในระบบของความคิดก็เข้าใจว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่มีความทุกข์หรอกจิตมีความทุกข์เพราะเราคิดไม่เป็นคิดไม่ถูกทําให้จิตใจเป็นทุกข์เมื่อใจเป็นทุกข์ทำให้ร่างกายพอยเดือดร้อนไปด้วยใจไม่มีสติคอยคุ้มครองดูแลยอยู่แล้วมันปลอดภัยมากมันก็เลยเข้าใจ เข้าใจตัวเองเข้าใจเรื่องของกายเรื่องของใจเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกรอบๆตัวเราเข้าใจคนอื่นถ้าเข้าใจแล้วก็จิตใจมันไม่มีความทุกข์อ่ะมนมีแต่ความสุขมีความเบิกบานใจเราเข้าใจสิ่งไหนเราก็จะมีความสุขในสิ่งนั้นความสุขสูงสุดคือความสุขที่มาเข้าใจตัวเองนี่คือความสุขสูงสุด ก็ได้จากการเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่แหละซึ่งทุกคนทำได้เป็นการแก้ปัญหาตัวเองด้วยตัวของเราเองด้วยสายหลักธรรมทำได้ทุกคนนับถือศาสนาไหนก็ทำได้เด็กหรือผู้ใหญ่ก็ทำได้คือการฝึกให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวยิ่งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจำเป็นต้องใช้หไหม เวลาเรานั่งเรียนหนังสือฟังอาจารย์สอนใจเราไม่เข้าอยู่กับเนื้อกับตัวถูกไหมเราก็คิดจิตใจเลื่ออยนั่งตาแปว๋วฟังครูสอนแต่ใจอยู่ไหนก็ไม่รู้ใจไม่อยู่กับตัวโม่แต่คิดปลุงแต่งหรือบางคนนั่งหลับอันนั้นเราขาดสติแล้วเราจะจําบทเรียนได้อย่างไร าสติมันก็ทำให้มิมีสมาธิในการเรียนหนังสือมันจำบทเรียนอะไรไม่ได้หรอกจิตจะบันทึกความจามได้นั้นจิตต้องพร้อมจิตต้องว่างเป็นปกติ จ, จะจาบทเรียนได้ จ, จะคิดอะไรที่แยบคายได้ จ, จะแก้ปัญหาชีวิตได้ใจจะมีความพร้อมใ้นั้นต้องมีสติคือความละลึกได้ ว่ากายกําลังทําอะไรว่าใจกําลังคิดอะไรนั่นคือหน้าที่ของสติเมื่อมีสติแล้วเนี่ยมันจะเกิดสมาธิตั้งมั่นโดยที่ไม่ต้องไปทําสมาธิมีสติสมาธิก็เกิดเป็นของแถมตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ที่เรากําลังศึกษากําลังเรียนรู้อยู่กับปัจจุบันก็เกิดปัญญารู้ความจริงในสิ่งที่เรากําลังสนใจขณะนั้น รู้ตัวเรารู้สิ่งรอบตัวเราตรงนี้แหละปัญหาชิตจะไม่เกิดมันเป็นการป้องกันปัญหาถ้าเกิดปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีในหนังสือพิมพ์เคยลงมีคนขาดสตินะกำลังเลี้ยงลูกอยู่ลูกกลืนสตางค์เข้าไปแม่มีความรักมีความดีรีบเอาน้ำกดมากรอกเลย กรอกใส่ปากเพื่อ น, น้ำกรดละลายสตังคนที่เรารักกับทำลายได้เอาน้ำกรดเพื่อละลายสตังใจเขาเกลียดลูกหรือเปล่าเขาเกลียดรูปไหมที่ทำอย่างนั้นแต่เขาขาดสติเมื่อขาดสติมันก็เกิดการนกตกใจกลัวไม่รู้จะทอะไรปัญญาก็ไม่เกิด ถ้าปัญญาเกิดจะเอาน้ำกรดมาเทราดนยะเวลาอยู่ที่บ้านเคยเห็นไหมเวลาไฟไหม้บ้านเนี่ยไฟไหม้ตกใจบางคนแบกโอง่งออกมาจากบ้านโหนี่คือสมบัติชิ้นสุดท้ายในชีวิตบางคนคว้ารีโมททีวีได้แต่เดียวนี่แหละคือชีวิตต้องมีแค่รีโมทเพราะขาดสติตกตะลึงทําอะไรไม่ถูกเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้ามีสติปั๊บสติตั้งมั่นเกิดปัญญาเลยว่าอ๋อควรทําอะไรก่อนอะไรหลังนะมันแก้ปัญหาเราได้เรียนหนังสือก็ความจําดีเล่นกีฬาก็เก่งนะคนมีสตินะไม่จะเป็นต้องเป็นนักกีฬาโรงเรียนถ้าเราชอบเล่นกีฬามีการแข่งขันถ้าคนขาดสติจะกลัวคู่ต่อสู้ใช่ไหมเรียกปอดลอยไม่กล้า เกิดโรคโรคหนึ่งขนาดแข่งขันคือโรคปอดแหกอะกลัวคู่ต่อสู้นะถ้ากลัวกนแล้วเนี่ยใจไม่ตั้งมั่นมันจะเล่นได้ดีไหมก็เรียกว่าเสียฟอร์มแต่ถ้ามีสติมันจะรู้ทันรู้ทันเกมรู้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเขาจะมาไม้ไหนเห็นไหมฉลาดตัวเราไม่กลัวแถมยังฉลาดรู้ใจคู่ต่อสู้ด้วยหลอกเราไม่ได้ อันนี้มันเป็นคุณค่าของสติทางนั้นน่ะอันนี้เป็นอนิสงส์หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์พวกเเองนี่พอฝึกสติในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นยอมรับในสิ่งที่มันยอมรับได้ยอมรับที่อยู่กับตัวเองในสภาพร่างกายอยู่กับกายที่พิการด้วยใจที่ไม่ทุกเนี่ยมันก็สบายใจดีสรุปแล้วถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะ อดีตมันเหมือนความฝันเหมือนเราได้ฝันลายไปเดี๋ยวนี้ตื่นจากความฝันแล้วแล้วไม่เคยกลับไปฝันลายเหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตจะไม่ทุกข์เหมือนเดิมอีกแล้วไอ้ความทุกข์ยากลำบากใจนั้นมันอยู่ข้างหลังมันเป็นฐานเป็นฐานของประสบการณ์ทำให้เรายืนหยัดอ้อยืนหยัดไม่ได้นั่งหยัดอยู่ตนทุกวันนี้มันเป็นฐานของความเข้มแข็งความทุกข์ีประโยชน์ เป็นฐานที่เรามีประสบการณ์ชีวิตเลยไม่ต้องกลับไปฝันร้ายเหมือนเดิมอีกละความภาคภูมิใจที่เกิดจากการได้รับปรบิญญาจากการศึกษานั้นน้อยมากมีความภูมิใจน้อยมากแต่มันเกิดความภูมิใจในขณะที่เรามีประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตนี่แหละมันถึงออกถึงใจกว่าปริญญาบัตรที่เราเรียนมาซึ่งไม่มีค่าสำหรับเราเลยแก้ปัญหา ใจิตใจเราก็ไม่ได้สู้ประสบการณ์ชีวิตไม่ได้มันเป็นประสบการณ์ที่เราได้ถึงอกถึงใจได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของชีวิตทุกครั้งที่ผมมีความอดทนกับทุกขเวทนาทางกายและมีความอดกั้นกับทุกที่บีบคั้นใจิตใจนะ่ผมมีความภูมิใจมากมันเป็นความอดทนที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะช่วยเหลือตัวเราเองมันยิ่งใหญ่มากตชีวิตเราที่อดทนเพื่อตัวเรา จะกระตือหรือล้นจะมีกําลังใจมันจะมีความสุขกับสิ่งที่เราทําคือความอดทนชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่มีตําลาหรอกตาราชีวิตไม่มีนะแต่ว่าตำลานะเขียนมาจากชีวิตเราเท่านั้นแหละประสบการณ์ชีวิตเขียนเป็นตำลาได้เป็นตําราเล่มใหญ่ที่เราควรจะศึกษาคือชีวิตของเรา ตำลาเล่มใหญ่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยมีค่าน้อยมากตำลาบางอย่างศึกษาแล้วมันฟุ้งซ่านเพราะเรียนนอกตัวทางนั้นแต่ตำราชีวิตเนี่ยมันเรียนเรื่องตัวเราแก้ปัญหาตัวเราและแถมแก้ปัญหาคนอื่นได้ด้วยประสบการณ์ชีวิตนี่เล่าให้ฟังได้นะแต่ว่าทําแทนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นนิยามของชีวิตคําหนึ่งชีวิตไม่ใช่การต่อสู้ ไหนใครต่อสู้ชีวิตแล้วชนะบ้างก็เห็นตายทุกคนเห็นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนละชีวิตไม่ใช่การต่อสู้ชีวิตคือการเรียนรู้เราเป็นนักเรียนต้องเรียนรู้ให้หมดของชีวิตชีวิตคือการเรียนรู้อุปสรรคคือสิ่งที่ท้าทายอุปสรรคของชีวิตไม่ใช่เป็นสิน่งท้อถอยอุปสรรคคือสิ่งท้าทายความสามารถ ปัญหาไม่ได้มีไว้ให้กลัวกุมใจมีไว้ให้ท้าทายความสามารถในการแก้ปัญหาไม่หนีปัญหาแต่จะแก้ปัญหามันล่ําไปเราจะเก่งเป็นผู้ที่ชํานาญในเรื่องการแก้ปัญหาชีวิตชีวิตคือการเรียนรู้ความทุกข์เนี่เป็นบทเรียนบทแรกของการเรียนรู้ชีวิตเราจะไม่มีความรู้จักชีวิตเลยถ้าเราไม่ได้ผ่านบทเรียนของความทุกข์ยากลําบากใจนะ ถ้าเราดูดีๆเถอะเราไม่รังเกียจความทุกข์ไม่รังเกียจความลำบากไม่รังเกียจสิ่งที่มันขัดใจเราดูดีๆเถอะเราเห็นว่าไอ้ความสุขเนี่ยมันเกิดจากความลำบากความทุกข์นั้นเลยจเจนความสุขที่มันซ่อนอยู่ในความทุกข์ยากลำบากใจมันมีความสุขอย่อยางนั้นชีวิตที่ผ่านความทุกข์น่ะเป็นชีวิตที่มีชีวานะหนูรู้จักชีวิตชีวานหม เนี่ยอย่างนั่งฟังเนี่ยไม่ค่อยมีชีวิตชีวานั่งๆน้อยถ้ามีชีวิตชีวาต้องกระตือรือร้นสนุกฟังเนี่ยโอเนี่ยหลายคสนุกฟังนั่นคือชีวิตชีวาทำงานแบบไม่มีชีวิตชีวาทำแบบสังกตายเช้าชามเย็นกระมังมันไม่มีความสุขกับการทำงานการทำงานที่มีชีวิตชีวาคือกระตือรือร้นสนุกทำผิดก็สนุก ทำงานเสร็จก็สนุกไม่เสร็จก็สนุกสนุกมันลูกเดียวแต่เราก็ทำไปเรื่อยๆนี่คือใช้ชีวิตแบบมีชีวาเพราะฉะนั้นตั้งแต่ดิบต้นไปนะทุกท่านที่ฟังในวันนี้นี่พูดแบบเพลยใจนะไม่เคยพูดเรื่องนี้ที่ไหนตั้งแต่ดีบต้นไปเราเลิกกลัวความทุกข์ยากลำบากใจซะเลิกกลัวได้เลย เราไม่กลัวความทุกข์สัอย่างเดียวนะในชีวิตนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเริ่มต้นเรากลัวทุกแต่ตอนนี้เราไม่กลัวทุกถ้าไม่กลัวทุกนี่มันไม่มีทุกนะเอาละทุกท่านลองเพ่งดูร่างกายของผมดูให้ดีๆนะจะเห็นว่าส่วนที่ใช้ประโยชน์เนี่ยมันเหลือน้อยเต็มที แต่ผมก็ได้ใช้ส่วนที่เหลือน้อยเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตของผมเองคือมาแก้ปัญหาตัวเองไม่ให้ใจต้องเป็นทุกข์ยังไม่พอผมยังแบ่งปันผู้อื่นช่วยเหลือทั้น่าร่างกายไม่ได้ผมก็ให้คำแนะนำให้แง่คิดให้กำลังใจอย่างวันเนี้ยมาให้กำลังใจมาให้แง่คิด มาด้วยความลำบากแต่ก็ไม่ใช่ความทุกข์แต่น้านจิตใจความลำบากเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของจิตใจที่ไม่ลำบากกายลำบากแต่ใจไม่ลำบากเป็นความลำบากที่อบอุ่นทางใจเหมือนกันและที่พูดวันนี้ไม่ได้หวังอะไรนะไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดทั้งสิ้นใครจะตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจฟังไม่เป็นไรใครจะฟังแล้วนำไปใช้หรือไม่ไม่สาคัญ เราทำหน้าที่พูดแบบไม่ต้องการอะไรไม่หวังผลอะไรเพราะสิ่งที่ทำเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ทําประโยชน์เพราะว่ามันเป็นประโยชน์แต่ไม่เอาประโยชน์มันก็มีความสุขดีนะเอาละสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยจำสิ่งที่ผมพูดไว้เรื่องราวในชีวิตทั้งหมดของผมเนี่ยขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรา ได้มีกำลังใจมีความกล้าหาญที่จะแก้ปัญหาตัวเองแล้วก็แบ่งปันคนอื่นช่วยเหลือผู้อื่นตามที่เราจะทำได้แล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขปราศจากความทุกข์ด้กันทุกท่านทุกคนเถิดอาจารย์เปิดโอกาสให้ตั้งคำถามครับเป็นถามอาจารย์นะครับว่าอาจารย์ครับเกิดว่าหลายคนในครัวอุบัติเหตุของชีวิต เพราะเนื่องจากอุบัติเหตุของชีวิตเป็นเรื่องของปัจจัยส่งผลสู่ความทุกข์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปัติเหตุแห่งความรักวัยรุ่นเนี่ยน่าจะกลัวอุบติเหตุแห่งความรักนะครับจะได้ว่าอุปัติเหตุเนี่ยเป็นปฐมมาเหตุของความทุกข์ไหมครับอุบัติเหตุมันก็คือเหตุของความทุกข์อย่างหนึ่งนั่นคือเหตุขึ้นจากสิ่งภายนอกแต่ทุกที่แท้จริงนั้นมันเกิดขึ้นที่ใจเรา ใเราต่างหาเป็นผู้รับความทุกข์ทางกายมันซึมลึกมาที่จิตใจถ้าเราทำใจไว้ถูกต้องวางใจให้เป็นใจก็จะไม่ทุกข์อย่างเช่นเวลาเรามีความรักเมื่อมีความรักเนี่ยมันย่อมมีความไม่รักเช่นเดียวกันเพราะรักต้องคู่กับความไม่รักเพราะนั้นเรามีโอกาสที่จะพลิกผันมาอยู่ส่วนที่ไม่รักก็ได้ บางทีเรารักเขาเมื่อทีเขาก็ไม่รักเราเมื่อทีเราก็ไม่รักเขาที่ต่างหากเวลาต่อมาความรักเริ่มต้นจากความสวยงามและลงท้ายด้วยความเหี่ยวเฉาเหมือนดอกไม้เราไม่สามารถจะรดน้ำต้นไม้ให้ดอกไม้งานตลอดเวลานั่นดอกไม้พลาสติกเพราะฉะนั้นถ้ามีความรักอย่าลืมคำว่าเสียใจรักได้แต่รักให้เป็น อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าความรักนี่มันจะเที่ยงแท้แน่นอนชั่วฟ้าดินถลายนั่นเป็นละครทีวีซึ่งยังแสดงได้ไม่จริงเ<ร>มื่อก้ารักก็ต้องกล้าเจอความผิดหวังถ้าไม่อยากผิดหวังก็อย่ารักถ้าจะเป็นต้อรักก็อย่ารักแบบยึดมั่นถือมั่นเผื่อใจไว้บ้างสักวันหนึ่งเราอาจจะผิดหวังถ้าเราไม่เชื่อดูคนรอบข้างที่เขาผิดหวังคนที่มีความรัก มักจะมองโลกสวยงามก็ช่วย ใ, ใจในดีนะแต่เมื่อผิดหวังเนี่ยเราต้องมองโลกสวยงามเช่นเดียวกันอ๋อมันผิดหวังก็สวยงามเนาะได้เอาความผิดหวังมาเรียนรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้แล้วเถิปัจจัยเป็นธรรมะอย่าเอาเฉพาะความสมหวังผิดหวังไม่เอาเนี่ยนอกจากเราจะเศร้าหมองแล้วเราจะไม่ได้ปัญญานะในโลกนี้มีบวกกับลบ มีข้างคืนยังมีข้างแรมเลยมีกลางคืนก็มีกลางวันนั้นมีสุขมันย่อมมีทุกข์เมื่อมีทุกข์ก็ย่อมมีสุขได้ทุกอย่างมันสามารถเปลีป่ยนแปลงได้เสมอและเถตุปัจจัยเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นถ้าจะรักก็ต้องเผิดใจถึงความไม่รักบ้างต่อเนื่องนะค <c oughs> ่ะอาจารย์ <c oughs> ว่าคนเกิดความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าคะ ก็เราเนั่นแหละคือเจ้ากรรมในเวรเราสร้างทุกข์ให้กับใจเราต่างหากนั่นลหละคือกรรมของเราที่ไม่รู้ความจริงของชีวิตถ้ารู้ความจริงของชีวิตแล้วว่าทุกข์ใจไม่เกิดขึ้นเราสร้างกรรมที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่สนใจกับธรรมะเจ้ากรรมในเวรไม่มีตัวไม่มีตนหรอกมันเป็นความรู้สึกที่เราทาผิดเอาไว้ในอดีตเราเคยทาไม่ดีกับใครไว้ ถ้าเราลึกถึงเมื่อไหร่นั่นละกรรมมันส่งผลเราแล้วเราจะมีความทุกข์เลยเราเคยเปิดกระเป๋าสตังค์แม่โดยที่ไม่บอกท่านวันหนึ่งนึกขึ้นได้โอ้เราเคยขโมยตังค์แม่ใจเราก็เศร้าหมองใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่นึกใจเราก็ไม่เศร้าหมองกรรมส่งผลไม่ได้แต่เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเราทําความไม่ดีแล้วสิ่งนั้นจะไม่มาปรากฏในใจเราเมื่อทําแล้วเออเราไม่นึก แน่ใจเราไม่ได้สักวันหนึ่งมันต้องผุดขึ้นมาแล้วก็จะซ่อมมองเราทำสิ่งที่ไม่ดีมันคือเจ้ากรรมในเวรถ้าเราทำสิ่งที่ดีก็คือเจ้ากรรมเจ้าของกรรมดีกรรมเป็นคำกางกลางถ้าทำกรรมดีทำความดีคือทำกรรมดีถ้าทำความชั่วคือกรรมชั่วกรรมคือการกระทาทางกายทางวาจา ทางใจแต่ต้องเจตนาทำถ้าไม่เจตนาทำไม่ใช่กรรมแปลว่าขาดสติไปท่านั้นเองนั้นหลักคำสอนบอกว่าความชั่วแม้แต่นิดเดียวไม่ทำจะเลยดีกว่าเพราะมันมีผลเริ่มชั่วครั้งหนึ่งมีโอกาสครั้งที่2ที่ ส, สได้ถ้าเราไม่รู้จักงดเว้นและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในใจเราบ่อยมาก กรดีความดีทำมากมากเถิดเมื่อเกิดในจิตใจเราเนี่ยเราจะมีความสุขวันไหนเรากอดแม่กอดพ่อด้วยความรักเวลาท่านตายจากเราไปเรานึกถึงท่านเราก็มีความสุขโอ้เราได้กอดพ่ อ, อ ก, กอดแม่เนาะเวล า, เาจากกันไปอยู่คนละจังหวัดเราก็ยังมีความสุขเวลาเราท้อแท้สิ้นหวังนึกถึงพ่อแม่ที่เราเคยได้กอดเราก็มีความสุขนี่แค่กรรมน้อยๆทำกรรมดีทำให้มากๆ ความดีจะทำให้จิตใจเราเนี่ยมีความสุขแล้วถ้าเราทำกรรมชั่วเราก็ชั่วทำกรรมดีเราก็ดีความชั่วไม่ทำทำแต่ความดียังไม่พอนะเรายังเป็นทุกข์เพราะความดีของเราก็ได้ถ้าเราอยากยึดมั่นถึงมาในความดีเราทำความดีแล้วไม่มีใครเห็นความดีของเราเลยทำไมไม่ได้สังคัญ ทำไมมีแต่คนเขานินทาว่าอะไรเราเราน่าจะทำความดีให้มากกว่านี้นะวันนี้ไม่ทำความดีเป็นทุกติดดีใจก็เป็นทุกทำความดีอย่าไปคาดหวังว่าจะต้องได้ดีทำไปเถิดทำให้ถูกต้องและดีก็จะปรากฏต้องไม่ยึดติดทำจิตทใจอยู่เหนือดีเหนือชั่วซะชั่วไม่ทำทำดีแต่ก็อย่าไปยึดติด และเราจะไม่มีความทุกข์เลยนะแม้ว่าเราทำความดีแล้วไม่มีใครเห็นความดีของเราใครว่าเราทำดีแล้วไม่ดีมันถูกของเขาเรื่องของเขาแต่เราทำดีก็แล้วกันใครว่าเราเราทำดีใครสรรเสริญเยนยอเราได้ขั้นได้ตำแหน่งได้สีได้ขั้นได้โบนัสสวัสดิการก็ถูกของเขาจิตใจเราจะไม่หวั่นไหวมีสติรู้อยู่ว่าเราทำอะไร เราทำความดีแล้วเขาว่ามีดีมันก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราอย่าเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตไปฝ่าไว้กับปากคนอื่นหรือสายตาคนอื่นเราต้องเป็นตัวของตัวเองเราย่อมรู้อยู่ว่าเราทำอะไรอยู่ใช่ไหมนี่แหละเราจะไม่มีความทุกข์เลยแม้ว่าเราทำความดีแล้วไม่มีใครเห็นความดีของเราอาจารย์ครับถามต่อเนื่องว่าเยาวชนเด็กไทยเนี่ยในยุคนี้เนี่ย ถ้ามาอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจแล้วก็ขาดความรับผิดชอบอย่างสูงนะครับอาจารย์มีเทคนิควิธีการอย่างไรนะครับที่จะส่งเสริมให้เยาวชนไทยเด็กไทยนะครับได้เข้าสู่เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับอย่างง่ายๆครับอาจารย์ผมไม่อยากโทษเายาวชนหรอกอย่าโทษสังคมผู้ใหญ่ตัวดีสร้างสิ่งแวดล้อม เพื่อจะมอมเมาเยาวชนเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยเยาวชนสมัยก่อนไม่เคยรู้จักเลยนะคาราโอเกะแล้วก็อินเทอร์เน็ตเกมไม่เคยรู้จักแต่ว่าคนเราเนี่ยก็จะว่าเป็นความคิดเสริมสร้างนะสร้างสรรค์ให้มีอะไรแปลกๆดีๆแต่ลืมว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีสองด้านอีกด้านหนึ่งมันทำให้จิตใจคนเสื่อมสามลง ไปกระตุ้นสัญชาตญาณของเด็กให้มันจเจริญงอกงามผิดปกติสัญชาตญาณการกลัวภัยสัญชาตญาณการต่อสู้ซึ่งเป็นสัญชาตญาณเถื่อนของสัตว์ในฉานแต่เราไปปลุกขึ้นมาเด็กจึงเฮี้ยมโหดกว่าเด็กสมัยก่อนไงสังคมน่นละล่ะต้องรับผิดชอบแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรหรอกมันยังมีทางแก้ไข เพราะนั้นก็เริ่มจากคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวที่อยู่ใกล้กับเยาวชนเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่เริ่มจากในบ้านจัดบ้านให้เป็นระเบียบจัดสิ่งไม่ร้อยเป็นระเบียบแล้วใจก็จะเริ่มเป็นระเบียบ mm hmm. คุณครูต้องทําตัวอย่างให้ดูเป็นแม่พิมพ์ที่ดีอยากจะให้เยาวชนดีเราผู้ใหญ่ต้องทําดีให้เยาวชนดู ทะเลาะกันทุกวันเศษอบายามุกทุกวันมัวเมาลุ่มหลงทุกวันเด็กก็จำภาพที่มีเดียวไว้เด็กไม่รู้แล้วว่านั่นคือความผิดแต่ออผู้ใหญ่ทํามันก็ดีเนาะเดินตามหลังผู้ใหญ่แมวไม่กัดก็เดินกันล่มไปแล้วผู้ใหญ่จะมาแก้ไขที่หลังเนี่ยมันยากแล้วต้องสร้างสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นคือต้องหันพาเราไป สู่ธรรมะพาไปสู่ใจธรรมะฝึกฟังทำหัดถือศีลศีลไว้เพื่อไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนฝึกทําสมาธิใช้ชีวิตอย่างมีสติรอล้อมให้เด็กเกิดปัญญาผู้ใหญ่ต้องผู้ที่นําพาไปก่อนเด็กตีนทาตามอย่าเรียกร้องให้เด็กดีอย่างเดียวผู้ใหญ่ต้องดีด้วยอันนี้ไม่ได้ว่าผู้ใหญ่นะ ไมไ่ว่ามถึงว่ามันเป็นยันจริงๆนะที่เคยเห็นมามีหลายคนพาลูกมาปรึกษาปัญหาชีวิตเรื่องเกี่ยวกับลูกผมไม่เคยมีลูกแต่ถามปัญหาลูกกับผมแต่ผมก็แก้ไขได้แต่แก้ขไขที่จิตใจเขาทำยังไงให้ลูกมันดีทำไงให้ลูกช่วยตัวเองผู้ใหญ่ก็ต้องปล่อยให้เด็กได้ตัดสินใจบ้างให้โอกาสเขาช่วยตัวเองมาก อย่าไปช่วยเขาที่ทุกอย่างตื่นนอนมาให้เด็กพับผ้าห่มเองซักผ้าเองอะไรเขาทำเองบ้างอย่าไปทำให้เขาทั้งหมดเขาก็เป็นคนอ่อนแอและเขาโทษว่าเขาไม่ช่วยตัวเองเลยก็เราช่วยเขาทั้งหมดนะ่ะเขาก็เลยไม่อยากช่วยตัวเองใช่ไหมเพราะนั้นแก้ปัญหาตรงนี้ลองกล้าๆที่ให้เขาช่วยตัวเองเป็นแบบอย่างให้เขาดูแลเด็กก็จะทำตามอย่างผมเนี่ย ผมชื่นชมในคุณพ่อคุณแม่ผมมากเลยคุณพ่อนี่เป็นบุคคลที่ตัวอย่างในด้านการอดทนไม่ย่อท้อและมีความคิดที่ก้าวไกลรู้จักตัดสินใจเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เป็นตัวอย่างคุณแม่ขยันน้ำใจดีเวลาเราโกรธไม่พอใจใครนึกถึงคุณแม่โอแม่เขาใจดีเนาะแม่เขาไม่ค่อยได้โกรธใครเเวลาเราท้อแท้นึกถึงคุณพ่อพ่อเขาไม่ท้อแท้ เขากล้าเผชิญกับอุปสรรคแบบท้าทายแล้วเอาตามอย่างท่านอัศวินในชีวิตของเราก็คือคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> เนี่ยตอบซะยาวนะเพื่อจะได้ไม่ต้องมีคําถามต่อไปนะขออนุญาตครับท่านอาจารย์แลว้วควรกลาบเรียนถามท่านอาจารย์หนึ่งคำถามนะครับทุกคนเนี่ยที่มาเรียนในหน้าที่นี้เนี่ยไม่ว่าจะมีงานทําแล้วก็ตามหรือว่ายังไม่มีงานทําก็ตามนะฮะทุกคนผมเชื่อว่ามีความต้องการคือประสบความสําเร็จในชีวิต การต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตหมายถึงว่าต้องมีความมุ่งมั่นคนเราเชือมีความมุ่งมั่นมากก็หมายถึงว่าจะเกิดก่อความทุกข์ความกังวลมากอยากมีความสุขก็คือต้องปล่อยวางจะทำยังไงให้สองสิ่งนี้มันควบคู่ไปกันครับการทำงานทำชีวิตให้บันดีเนี่ยงานชีวิตความสุขต่างๆมันอยู่ที่ปลายเหตุใช่ไหมเราก็สร้างเหตุให้ ด, ดีสิ สร้างเหตุให้ดีให้ถูกต้องกับความสำเร็จอยากจะประสบผลสำเร็จในชีวิตต้องขยันหมั่นเพียรต้องไม่ท้อแท้ท้อถอยต่ออุปสรรคต้องกล้าคิดกล้าทำมีความขยันมีความอดทนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าใจเขาเข้าใจเราทำเหตุให้ถูกต้องเถิดผลสำเร็จก็จะเกิดขึ้นเอง โดยที่เราไม่ต้องการผลมันก็เกิดความเสเร็จได้ถ้าเราทำด้วยความอยากอยากจะให้ได้ผลสมบูรณ์แต่ไม่ยอมสร้างเหตุทำบุญสลึงหนึง่งขอให้ได้นิพพานเดินก้าวเดียวให้มันถึงปากซอยนั่นคือเปลดกินข้าวคาเดียวให้มันอิ่มยังไม่เพียงพอเราต้องทำเหตุ ให้ถูกต้องถูกฝาถูกตัวตามประสบการณ์ที่เราได้เรียนมาทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้มากเพียงพอด้วยแม้ไม่ต้องการผลผลก็จะปรากฏเองแต่ถ้าเราทำด้วยความอยากอยากได้ผลอยากได้อย่างนู้นอยได้อย่างนี้มันทำด้วยตัณหามันเป็นตัวกิเลสแล้วถ้าไม่ได้ผลเนี่ยหงุดหงิดมากอึดอัดไม่พอใจเพราะไม่ได้ที่เราหวัง เหตุมันไม่พอและไม่ถูกต้องผลก็จะปรากฏขึ้นไม่ได้ก็จะเป็นทุกข์ฟรีฟรีเป็นตัญหาเป็นฝ่ายอกุศลธรรมถ้าเราอยากมีความเจริญในชีวิตประสบผล้งเร็จเราสร้างฉันทะคือความพอใจที่ทำสิ่งนี้เป็นฉันดะความพอใจพอใจที่จะทำแล้วก็อย่าไปคาดหวังผลจนเกินไป ถ้าหวังผลน้อยก็ทุกข์ในน้อยถ้ามันไม่ได้อย่างผลถ้าหวังผลมากถ้าไม่ได้ผลก็ทุกข์มากสร้างเหตุโดยไม่ต้องหวังผลมันก็ทำงานไปด้วยมีความสุขทำงานตรงนี้ก็มีความสุขตรงนี้ทำงานตรงนี้เมื่อไหร่มันจะได้สองขั้นเมื่อไหร่ <c oughs> จิตใจเลื่อนลอยไปหวังผลในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงงานนี้ต้องทาให้ดี ทำให้ได้มากให้ได้ไวใจมันคิดแล้วแล้วเราทำได้ดีทำได้มากได้ไวที่เราคิดไหมถ้าเราทำเท่าที่จะทำได้เราก็มีความสุขกับการทำงานเขามีคำพูดว่าฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนี่แสดงว่าถ้าฝันให้ไกลแล้วไปไม่ถึงก็เป็นทุกข์กันสิ ถูกไหมถ้าเราเปลี่ยนใหม่ของเขาไม่ได้ผิดนะเราเปลี่ยนใหม่เติมฝันให้ไกลไปเท่าที่ถึงมันถึงแค่ไหนก็จบแค่นั้นมันก็มีความสุขนั้นมีสิทธิ์ฝันมีสิทธิ์หวังได้เราสร้างเหตุถอะถ้าเหตสมบูรณ์แล้วก็มากเพียงพอแล้วก็ไม่ผิดแล้วก็รับรองผลไม่ต้องการมันก็จะปรากฏขึ้นเองเรามาักจะ เจอเด็กๆนะคะที่เข้ามาเรียนแล้วก็เจออุบัติเหตุชีวิตจนพิการเรื่องของการเรียนอยู่หลายรายและเจอทุกปีดิฉันเป็นอาจารย์ก็จะต้องมาคอยให้คำปรึกษาทุกครั้งแล้วก็ต้องใช้มือนี้แล้วก็คอยปลอบหลังจากที่เด็กเกิดอุบัติเหตุชีวิตทุกครั้งว่าตั้งต้นใหม่โลกตั้งใจกว่าเดิมขยันกว่าเดิมเที่ยวน้อยกว่าเดิมอ่านหนังสือมากขึ้น เราจะทำยังไงให้เด็กของเราไม่พิการเรื่องการเรียนนั่นก็คือถูกรีทรายนะคะหรือถูกไล่ออกซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาในยุคปัจจุบนันไม่ต้องรอถึงปี3หรือปี4มักจะโ ด, ดนรีทรายตั้งแต่ปีหนึ่งเราไม่ให้โอกาสเด็กเข้ามาเรียนนี้นค่ะเยอะมากในแต่ละปีเราให้โอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบจะเป็นตัวกันกรองก็คือความตั้งใจของเขาดังนั้นปีหนึ่งคจันคขาปีหนึ่งมาปุ๊บหคน จาก50จะเหลือ25คนถูกรีทายจะทำยังไงดีคะอาจารย์ไม่ให้เขาพิการในเรื่องของการเรียนสอบได้เป็นของตลกนะสอบตกเป็นของธรรมดาเรียนไปแล้วค่ า, าตายมาแล้วก็เลยหมดเราต้องคิดในแง่นี้มันมีได้ก็ต้องมีตกเมื่อเราให้โอกาสเขาแล้วเขาจะเจอโอกาสตรงนี้ได้แค่ไหนนั้นก้อคืออยู่กับเขาเหมือนกันหน้าที่ของครูก็อัดฉีดเข้าไป ให้กำลังใจให้แง่คิดแต่เราให้แต่ข้อคิดแบบนี้เราต้องมีวิธีการปฏิบัติด้วยเมื่อเขาเรียนหนังสือแล้วเรียนไม่จบอันดับแรกถ้าเจอปัญหาแบบนี้เราต้องมีการรวมกลุ่มรวมกลุ่มมาชีา้แจงต้องใกล้ชิดกับเด็กที่ทําท่าจะไปไม่ไหวใกล้ชิดมีการติลพูดคุย ให้เขาขยันเด็กที่เรียนตกเนี่ยสอบไม่ผ่านเนี่ยไม่ใช่เป็นว่าเขาไม่ฉลาดนะข้อสอบอาจจะไม่ตรงความรู้ของเขาได้เขาไม่ใช่เป็นคนโง่แต่เขาสอบไม่ผ่านแล้วเราต้องเข้าใจเขาการเรียนตกแต่ละครั้งไม่ใช่เป็นการล้มเหลวในชีวิตเราสามารถที่จะพัฒนาจิตเราได้รู้จักบอกให้กำลังใจเขา ให้โอกาสเขาใหม่มันต้องมีละ่ะเพราะคนเราเนี่ยนอกจากความรู้ไม่ตรงข้อสอบแล้วปัญหาทางบ้านทาบ้านก็มีปัญหาปัญหาจิตใจสบายเนี่ยมีสิ่งลุมเล้าจิตใจมากจิตใจเด็กก็จะกระเจิงแตกสลายไปแล้วยากที่จะมารวมจิตให้มาสนใจกับบทเรียนต้องกระจายส่วนนี้ด้วยต้องสร้างสิ่งไวดล้อมให้เด็กก็รู้จักที่จะหันมาเข้าใจ การป้องกันปัญหาครั้งต่อไปเนี่ยเราแนะนําแบบนี้สิเราทุกคนเนี่ยเล่าถึงเรื่องเหตุการณ์ที่มันผ่านมาว่าตกกันมากเหลือเกินแต่เราเด็กรุ่นใหม่จะไม่ตกอย่างนั้นไอ้ที่คนเก่าตกมากเพราะว่าเขาขี้เกียจเขามีสารพัดอย่างเขาจิงสุ ก, กรหามพวกเราไม่ต้องชิงสุ ก, กรหามเราต้องมีความตั้งใจเรียน เราปัญหาต่างๆมาชี้กับเด็กปัจจุบันว่านี่คือปัญหาเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้เด็กเราสามารถจะเรียนประสบผลสำเร็จได้โดยสายหลักแบบนี้แบบนี้นะถ้าใครทําไม่ได้ก็มาปรึกษาครูให้คําแนะนําให้กําลังใจบอกปัญหากับเขาและบอกวิธีการแก้ปัญหาผมเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่เรียนเก่งเกือบตกทุกงานแต่สายความขยัน อาศัยความขยันตาราเล่มหนึ่งบางทีดูถึงสิบครั้งดูเพื่อจะจำไม่ได้ทำความเข้าใจเลยทำความจำอย่างเดียวและก็ไปตอบตามความจำของเราเรียนมากก็ต้องจำมากมก็เครียดหลายวิชาคือปัญหาตัวเรามันก็มีอยู่เด็กที่จะเรียนสาเร็จนั้นอนะ่ะส่วนมากเด็กที่มีจิตใจที่พร้อมเด็กที่ทาสมาธิที่จิสติเนี่ยมักจะเรียนไม่ตกนะสอบผ่านทั้งคัน คือไม่มีเรื่องอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวจิตเขาพร้อมอยากจะเตรียมจิตของเด็กก่อนให้เขาพร้อมที่จะเรียนแล้วชี้ปัญหาเขาดูว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเเป็นอย่างนี้นะเราต้องแก้ไขใหม่ถือว่าท่านอาจารย์ให้คำพี่กับพวกเรานะคะเอาไปใช้ประโยชน์ดันขาขออนุญาตนิดนึงสุดท้ายแล้วค่ะเราจะทำยังไงให้เราดาเนินชีวิตไปแล้วมีความทั้งสดใสแล้วก็ สามารถที่จะสร้างสารรค์ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์กับสังคมได้อย่างดีที่สุดให้อาจารย์ทิ้งท้ายให้ตรงนี้ให้กับเยาวชนนะคะเหมือนกับให้กำลังใจพวกเราทั้งในฐานะครูที่สอนเด็กด้วยะค่ะคุณค่ะบางคนกายไม่สดใสจิตก็ไม่สดใสนะ <c oughs> พิการนั้ากายทั้งใจก็มีเพราะนั้นเราต้องรู้จักแบ่งแยกเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของหน้าที่กับเรื่องของจิตใจจิตใจเนี่ย ถ้าเราคิดในทางที่เป็นลบในทางที่สิ้นหวังที่ท้อแท้ใจเราจะสดใสไปไม่ได้หรอกความสดใสของใจนั้นต้องรู้จักคิดในเชิงที่เป็นบวกไว้ก่อนรู้จักคิดตรงนี้ไว้ก่อนจิตใจมันก็จะดีนะจะมีกำลังใจไปการแก้สถานการณ์ให้ใจมันดีขึ้นให้กำลังใจตัวเองและต่อมาจิตที่มันไม่สดใสเพราะว่ามันมีการปรุงแต่งฟุ้งซ่าน ในธรรมะเขาเรียกนิวรคือความอยากความดิ่หลนทยานอยากจนเกินไปความโกรธก็ทําให้จิตไม่สดใสความฟุ้งซ่านจิตก็ไม่ตรใสดังนั้นจิตไม่สดใสเพราะว่ามีการปรุงแต่งมากมายในไหนจะปรุงแล้วปรุงในทางที่ดีมีความสุขไว้ก่อนนะใจก็จะเริ่มดีและในขั้นเดียกันต้องฝึกมีสติมีสมาธิ รักษาจิตให้เป็นปกติให้มันมีพลังให้มันเข้มแข็งเวลามีอารมณ์รักมากระทบก็อย่าหมดเนื้อหมดตัวปล่อยจิตใจไปรักเต็ม้อยมันจะไม่สดใสในความรักนะให้รู้ทันเออนี่เราชอบเรารักนะให้รู้ทันเวลาเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจมากระทบจิตใจให้มีสติรู้ทัน การรู้แต่ละครั้งเนี่ยเป็นการป้องกันอารมณ์ไม่ให้มาครอบงำจิตการปรุงแต่งฟุ้งซ่านโลภโกรธหลงมันกลัวสติถ้ามีสติตัวเดียวจิตมันก็เป็นปกติมันก็ผ่องใสการคาดหวังอะไรมากเกินไปทำให้จิตผ่องใสไม่ได้ต้องเป็นคนที่รู้จักมีน้ําใจให้อภัยรู้จักปล่อยวาง ไม่เห็นแก่ตัวมีความเมตตาจิตแค่นี้มันก็สงบสุขแล้วจิตไม่สดใสเพราะจิตไม่สงบมันฟุ้งต้านจิตสงบเป็นจิตที่มีพลังสงบแบบมีสติรู้อยู่มองเห็นทุกอย่างเป็นสิ่งท้าทายมองปัญหาเป็นบทเรียนที่ต้องเขามีแก้ไขมองอุปสรรคเป็นสิ่งท้าทายที่จะเข้าไปแก้ไขเข้าไ ป, ไปเผชิญหน้าอย่ามองอะไรก็เป็นเรื่องอุปสรรคทั้งนั้น ทุกอย่างเราสามารถปรุงแต่งจิตเราให้เป็นที่เราคิดได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาการดเนินชีวิตเขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบ่าใครเคยได้ยินไหมแล้วเติมอีกหน่อยหนึ่งจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพายถ้ามีสติมีปัญญานาพากายใจไปเมื่อแล้วก็ เรือชีวิตเนี่ยจะพาไปสู่ความสุขไม่มีความทุกข์เอวังก็มีดุลยการรัชนี้